ปัญหาของพวกเราทุกคนของมนุษย์ทุกๆคนของสัตว์เดรัจฉานทุกๆตัวและของดวงวิญญาณทุ ก, ทกชนิดไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นอสูรกายล้วนมีปัญหาเหมือนกัน ปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งปวงให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรหรือวัะสงสารนี้มีปัญหาตัวเดียวกันปัญหาตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าอาวิชชา หรือโมหะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ไม่รู้ความจริงโมหะแปลว่าหลงผิดเห็นของไม่จริงเป็นของจริงไม่รู้จักของจริงว่าอยู่ที่ไหนอวิชชาหรือโมหะนี้ คือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะผู้ที่จะรู้ความสุขที่แท้จริงนี่โดยตนเองก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเป็นสัตว์โลกองค์เดียวสัตว์โลกนี่หมายถึง ผู้ที่ยังเวียนว่าตายเกิดในสังสารวัฏอยู่มีเพียงคนเดียวองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะค้นพบความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงนี้หมายถึงอย่างไรเป็นอย่างไร หมายถึงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่เสื่อมความสุขที่ไม่หมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขต่างๆที่สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวร เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมานี่คือความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดกับพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ส่งค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตายพบ ไม่ได้อยู่ในสังสารวัฏแต่อยู่ที่พระนิพพานมีคนเดียวเท่านั้นที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะค้นพบความสุขของพระนิพพานได้คือผู้ที่บำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์นะสามารถที่จะตัดสรู้ได้ด้วยตนเอง ตัสเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้านี้ก็มีสองชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าที่ตัดสรุแล้วนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังไม่รู้อยู่เรียกว่าพระอรหันต์ธรร ม, มาสามพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้า ที่หลังจากได้ทรงตัดสรู้แล้วไม่นำเอาคำสอนความรู้นี้มาสั่งสอนผู้อื่นไม่เอาความรู้นี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ให้แก่สัตว์โลกที่ไม่รู้พระพุทธเจ้าแบบนี้เรียกว่าพระปัจเจกะพุทธเจ้า การปรากฏของพระประเจกกับพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นที่รู้จักกันเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงประกาศไม่ทรงบอกผู้อื่นว่าตนเองได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ได้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราจะรู้ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ ประกาศบอกแก่สัตว์โลกที่ไม่ดูนั่นเองว่าพราะองค์ได้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแล้วความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจากใจหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศล่สอนความรู้นี้ให้แก่สัตว์โลกที่ไม่รู้ ผู้ที่ได้ยินได้ฟังถ้าสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ที่บรรลุถึงพระนิพพานถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้ได้จากการได้ยินได้ฟัง คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระอรหันตสาวกจะไม่เรียกว่าพระอรหันตสามมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะได้นิพพานเหมือนกันแต่นิยามของผู้ที่ได้นิพพานด้วยตนเองต่างกับผู้ที่ได้นิพพานด้วยการศึกษาลั่เรียนจาก พระพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาลริ่มเรียนจากพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกคือผู้ศึกษาผู้ฟังนั่นเองสาวกเป็นผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตาม ใจก็ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจก็บรรลุถึงพระนิพพานที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถึงใจเมือ่อใจถึงนิพพานเหมือนกันเพียงแต่สมมุติน้ำที่เราใช้ต่างกันเออผู้ที่ถึงพระนิพพานด้วยตนเองเรียกว่าพระพุทธเจ้า มีสองแบบพระอรหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าผู้รู้แล้วก็มาสอนผู้อื่นต่อพระประเจกาพุทธเจ้ารู้แล้วแต่ไม่เอามาสอนผู้อื่นพระอรหันต์ตถาวกเป็นผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่ง ใจถึงนิพพานเหมือนกันทั้งสามท่านนี้พาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพาระปเจกขพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกท่านทั้งสามนี้ใจของท่านได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้พบความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดทำให้จิตของท่านไม่ต้องมาหาความสุข ในใตภพบอีกต่อไปผู้ที่ยังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานยังไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงนี้ก็ยังจะหลงมาหาความสุขในใตภพบในกามะพบในรูปพบและอรูปพบนั่นเองอย่างพวกเรานี้ก็ยังมาหาความสุขในกามะพบกัน การมาพบนี้ก e enfin ็มีแบ่งเป็นสองซีกซิกที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และซิกที่มีความทุกข์มากแต่มากกว่าความสุขซิกที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เราเรียกว่าสวรรค์ซีกที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเราเรียกว่าอบายผู้ที่ยังหลง คิดว่าความสุขอยู่ที่การเสพกามคุณห้าคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะมาเกิดในกามพบพบของเทวดาพบของมนุษย์พบของสัตว์เดรัจฉานพบของเปรตของอสุรกายและพบของนรก ทำไมจึงมีแบ่งเป็นอบายกับสวรรค์หรือสุคติกับทุกคติเพราะว่าเหตุที่พาให้ไปอยู่ในภพเหล่านี้ไม่เหมือนกันนั่นเองเหตุที่พาให้ดวงวิญญาณไปเกิดในอบายหรือในทุกคติเพราะว่าเกิดจากการกระทำบาปเนี เกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมสุรายาเมาเสพะบายยมุกต่างๆการกระทำเหล่านี้ทำให้ผู้ที่กระทำเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาที่เป็นดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในอบายเป็นเปรต เป็นอสูรละกายเป็นนรกถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์ในรัจฉานนี่คือผู้ที่เสพการแล้วทำบาปทาเสพการด้วยการกระทำบาปเช่ น, นอยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวไปขโมยเงินของผู้อื่นมาเที่ยวอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการเสพการเวลาไปเที่ยว ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดปวดตาผแต่มีค่าใช้ใจ่ายไปเที่ยวต้องมีค่าใช้ใจ่ายจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าบันเทิงต่างๆถ้าไม่มีเงินหาเงินโดยที่ไม่ได้ทําบาปไม่ได้แต่อยากไปเที่ยวก็อาจจะไปหาเงินแบบวิธีทําบาปช่อโกงลักทรัพย์เนี่ย พอทำแล้วก็จะทำให้ดวงวิญญาณนี้ติดอยู่กับอบายต้องไปใช้กรรมในอบายอบายก็มีแบ่งไว้สี่ที่ด้วยกันเพราะเหตุของการทำบาปก็มีสิสี่เหตุเหตุของการทำบาปเพราะความหลง ความไม่รู้ว่าการทำบาปนี้มีโทษตามมาก็คือไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, กเ็เป็นเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายทำบาปด้วยความโกรธก็เป็นนรกอนี่คือ ดวงวิญญาณชนิดต่างๆดวงวิญญาณที่มีความหลงครอบงำที่มีความหลงหลอกให้ไปหาความสุขจากกามมคุณหา้าโดยวิธีทาบาปก็จะไปติดอยู่ในอบายส่วนดวงวิญญาณที่ดวงวิญญาณหรือมนุษย์มนุษย์ที่ หาความสุขจากการมาคุณห้าโดยไม่ทำบาปเช่นอยากจะไปเที่ยวก็ทำงานทำการเก็บเงินเก็บทองพอมีเงินพอค่อยไปเที่ยวอันนี้เสพกามด้วยการไม่ทำบาปก็จะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเสพกามโดยไม่ทำบาปทั้งห้าข้อ ไม่ค่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสุรามไม่เสบอบายามุกเป็นนิสัยอาจจะเสบบ้างพอหอมปากหอมคออันนี้จะทำให้เป็นมนุษย์แต่ไม่ดวงวิญญาณที่มีความหลงที่อยากจะหาความสุขจากการเสพกามนี้ จะเสกกรรมด้วยการไม่ทำบาปก็จะเป็นมนุษย์ร่างกายเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่รถป็นหิวข้าวเปล่ากลายเป็นเจ้าของรถไปเอาข้าวให้รถมันกินเลย อ, อิ่มละเหมือนเด็กเด็กหิวนมแม่ได้ยินเสียงร้องก็ต้องหานมมาให้ลูกกินพอลูกได้กินนมก็หยุดร้อง <c oughs> นี่คือทำไมผู้ที่เสพกามจึงมาเกิดเป็นอะไรต่างๆกันไป เพราเหตุของการเสพกามการเสพการวิธีเสพกามนี้เสพด้วยวิธีที่ต่างกัน ừ. เสพกามด้วยการทาบาป ừ. ก็จะไปอบาย ừ. เสพกามด้วยการไม่ทำบาปก็จะไปเป็นมนุษย์ ừ. แล้วพวกที่เสพกามไม่ทำบาปแล้วยังมีเงินแบ่งให้ผู้อื่นเขาเสพการพวกที่ทำบุญทำทาน เป็นพวกที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เห็นว่าผู้อื่นเขาไม่ได้เสพความสุขก็เลยแบ่งให้เขาได้เสพแบ่งข้าวของเงินทองให้กับผู้ที่ยากจนได้มีโอกาสได้เสพกามบ้างได้มีไปได้ไปเที่ยวบ้างได้ไปดูหนังฟังเพลงบ้าง เช่นใครมีบัตรคอนเสิร์ตหลายใบได้มาหลายใบก็แบ่งให้คนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าทาบุญได้ตั๋วฟรีมาไปเที่ยวฮ่องกงไปกับสามวันนี้ก็ไม่ก่อยไปมาเล่าเบื่อก็ให้คนอื่นไปแทนแบบนี้ก็เรียกว่าแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่น ให้ผู้ได้มีโอกาสได้เสพกามบ้างส่วนตนเองเวลาจะเสพกามก็เสพด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปพวกนี้ก็จะเป็นเทวดากันเรียกว่าเทพนะเวลาไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็จะเป็นเทวดาดวงเทวดานี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ ความทุกข์มีตอนที่ความสุขมันหมดต่ น, นั้นเองเวลาเสื่อมจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมีความรู้สึกว่ามีความทุกข์เพราะต้องลงจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำเสียความสุขที่มากเพื่อมาหาความสุขที่น้อยกว่าเหมือนคนที่เคยมีเงินล้านแล้วต้องมามีเงินแสน ถึงแม้ว่ายังจะรวยอยู่แต่ก็ยังรู้สึกอเสียดายรู้สึกเสียดายเงินที่เคยมีอยู่เคยมีร้อยล้านแล้วต้องมาเหลือสิบล้านนี่ยังมีครับจะรู้สึกทุกขนะ์เนี่ยสำหรับคนที่มีร้อยล้านแล้วมาเหลือสิบล้านทั้งๆที่สิบล้านนี่ก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่ คนที่มีสิบล้านคนที่มีล้านหนึ่งแล้วไปได้สิบล้านนี่กับดีใจนะคนที่ขึ้นนี้จะดีใจคนที่ลงจะเสียใจแต่ต้องมีการลงทุกคนเพราะว่าความสุขในไต่ภพนี้ไม่เที่ยงนั่นเองเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นเทพก็เป็นเทพได้ชั่วคราว แล้วพอเสริมลงมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ชั่วข่าวเพราะ้าต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเวลามนุษย์แก่เจ็บตายก็ทุกข์กันแต่เวลาที่ไม่แก่เจ็บตายเวลาที่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็สุขกัน ภพของมนุษย์นี้จะมีความสุขกับความทุกข์ห้าสิบห้าสิบภพของเทวดาวนี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์หกสิบสี่สิบขึ้นไปภพของอบายของเดราชานของเปรตของอสุรกายของนรกนี้จะมีทุกข์มากกว่าสุขจากสี่สิบหกสิบขึ้นไปทุกข์มากขึ้นไปนีๆทุกหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ ถึงลอยเพราะว่าวิธีหาความสุขทำโดยวิธีไม่ถูกต้องทำโดยวิธีทำบาปส่วนอีกพวกหนึ่งนี่ที่ได้ค้นพบความสุขที่มีอยู่ในใจที่เรียกว่าความสงบพวงนี้ก็จะไปเกิดในรูปภพกับอรูปภพพบของพรหม พรหมที่มีรูปก็เรียกว่ารูปพรหม พ, พรหมที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าอารูปพรหม พ, พวกนี้ต้องผ่านการเป็นเทพขึ้นมาก่อนเกิดเป็นพวกที่ไม่ทำบาปรักษาศีลแปลดได้ละเว้นการเสพการามได้ทำบุญทำทานได้ไม่หวงข้าวของเงินทองพอไม่ต้องใช้เงินทอง เป็นเครื่องมือหาความสุขนั่นเองใช้ธรรมะใช้สติเป็นเครื่องมือผู้ที่ค้นพบสติที่มีอยู่ในตนเองก็สามารถที่จะใช้สตินี้มาทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆมีแบ่งเป็นสองระดับรูปฌปานกับอรูปฌาน ความสงบของรูปฌานก็มีสี่ระดับคือแบ่งความสุขมากน้อยนั่นเองขั้นแรกรูปฌานความสุขของรูปฌานก็จะน้อยกว่าความสุขของรูปฌานขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่สี่ทั้งสี่ขั้นนี้เราเรียกว่ารูปฌาน หนึ่งสองสามสี่ผู้ดีได้เข้าถึงรูปฌานทั้งสี่ระดับนี้เวลาไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ที่รูปภพคือภพของรูปภพจะไปเป็นรูปภพสี่ระดับด้วยกันมีระดับรูปฌานหนึ่งสองสามสี่แล้วแบ่งซอยละเอียดรู้สึกจะแบ่งเป็นทั้งหมดสิบหขั้นด้วยกัน ภพของรูปประภพกับอารูปประภพนี้จะมีแบ่งเป็นสิบหกชั้นด้วยกันภพของเทพนี้จะแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันตามลำดับของบุญที่ทำไว้ภพของรูปประภพก็แบ่งโดยระดับของรูปประชานของระดับชาญที่เข้าถึงถ้าเข้าถึงรูปประชานก็จะไปอยู่รูปประภพได้ระดับต่าง ถ้าเข้าได้ถึงอรูปฌานก็จะไปถึงระดับอรูปภพนะแต่ความสุขระดับรูปฌานกับอรูปฌานนี้ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เหมือนกันเป็นความสุขที่จะต้องเสื่อมเวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนเศรษฐี ที่เสื่อมจากเป็นเศรษฐีร้อยล้านมาเป็นเศรษฐีสิบล้านอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ได้อารูปประชานเวลาเสื่อมลงมาสู่ขั้นรูปปานก็จะเห็นความแตกต่างของความสุขความสุขของรูปป ร, รูปปานนี้มากกว่าความสุขของรูปประชานก็ยังถือว่าเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ว่ามันจะเสื่อมลงมาเรื่อยๆ จากชั้นอรูปภ พ, พ, พม์ก็จะลงมาสู่ชั้นรูปภพมจากชั้นรูปภพมก็จะลงมาสู่ชั้นเทวโลกชั้นเทวดาจากชั้นเทวดาก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่พอเป็นมนุษย์ใหม่ทีนี้จะลงต่ำหรือขึ้นสูงก็อยู่ที่วิธีหาความสุขหาการมัสุข ถ้าหากวามาสุขโดยวิธีทำบาปก็จะลงต่ำกว่ามนุษย์ไปไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไปแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วหาความสุขโดยที่ไม่ทำบาปจิตก็จะไม่ตกต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ตายไปถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าได้ทำบุญในขณะที่มีชีวิตอยู่ เนื่องจากมีสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าที่ตนเองจะใช้ได้แล้วก็ไม่หวงแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นทำบุญทำทานชนิดต่างๆอันนี้ก็จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นให้ไปเป็นเทพไปเสพความสุขในสวรรค์ชั้นเทพเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้ว แล้วถ้าได้มีโอกาสไปพบวัดไปคบคำสอนของศาสนาก็อาจจะได้เรียนรู้จากวิธีฝึกสมาธิเข้าฌานพอเข้าฌานได้ก็จิตก็จะขึ้นไปสู่ระดับรูปประภมารูปประภมได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังจะต้องมีวันเสื่อมจะต้องมีวัน กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่กลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่เพราะยังไม่มีใครในภพเหล่านี้มาแก้ปัญหาตัวที่หลอกให้มาหาความสุขจากไตภพนี้เองคืออวิชชาหรือโมหะที่ไม่รู้ว่าความสุขแบบไม่เสื่อมนั้นอยู่ที่ไหน ต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมาค้นพบความสุขแบบไม่เสื่อมคือความสุขของพระนิพพานพอผู้ที่ค้นพบความสุขของพระนิพพานได้ก็แสดงว่าหายหลงหายจากการมีอวิชชาอวิชชาก็จะถูกทำลายไปโดยวิชาความรู้ ที่ได้ส่งคนพบว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรนี้อยู่ที่พระนิพพานพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานก็คือจิตใจที่ละความอยากที่จะเกะที่จะเสพการมาสุกนั่นเองจิตใจที่ยังติดอยู่กับการมาสุกยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะธ หรือติดอยู่กับการเสพความสงบของรูปฌปานหรือของอารูปฌปานเนี่ยก็ยังจะติดอยู่ในใต้ภพถ้าไม่อยากจะติดอยู่ในใต้ภพถ้าอยากจะได้ความสุขของพระนิพพานก็ต้องลิกละกำจัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากเสพรูปฌานความอยากเสพอารูปฌานไปให้หมดเนี่ย ถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็จะถึงพันิพาณใจก็จะเป็นพันิพานขึ้นมาใจนี้แหละคือ น, นิพานไม่ใช่สถานที่ใจนี้คือใจที่ฉลาดที่รู้ว่าการเสพการมการเสพรูปประชานการเสป ร, รูปประชา น, นี้เป็นการพาให้จิตยังต้องติดอยู่ในวัฏฏะสงสาร ติดอยู่ในภพต่างๆนั่นเองถ้าได้รูปปัจจานก็ติดถ้าได้อารูปปานก็ติดอยู่ในรูปอรูปภพถ้าได้รูปปัานก็จะติดอยู่ในรูปภพถ้าได้ความสุขถ้าได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จะไปติดอยู่ในกามภพนะันนี้คือปัญหาของพวกเราทุกๆคน ของสัตวโลกทุกๆชนิดที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในปร่ยพในตายพบนี้เกิดจากอาวิชชาโมหะนี้เองเกิดจากการไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนน่าจะไม่มีใครรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถดูได้ด้วยตนเองได้ ส่วนผู้อื่นถ้าอยากจะรู้อยากจะได้นิพานนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ก่อนใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอาหารหันตสาวกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ วิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีใครสามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นใะนสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสัลุเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญอยู่หกปีสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักคําว่านิพพาน ยังไม่มีใครไปถึงนิพพานได้พระพุทธเจ้าอยากไปนิพพานก็ไปถามคนนั้นคนนี้ถามอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ศึกษาจากอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็ไม่มีใครรู้ถึงพันิพานว่าไปอย่างไรว่าความสุขที่ไม่เสื่อมนี้มีหรือไม่อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีใครรู้ รูอเพียงแต่ความสุขระดับรูปฌปานปปหรือความสุขระดับกามาพบนะพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองในยุคนั้นไม่มีใครไปถึงนิพพานกันเลยสักคนเดียวพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในที่สุดก็ส่งคนพบว่า ความสุขที่แท้จริงความสุขของพระนิพพานนี้เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆความอยากสามชนิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดไปนั่นเองอกาจัดกามตันหาความอยากเสพกา ม, ามากรปปรารจัดภาวะตันหาความอยากจะเสดลูก ป, ประชานแล้วก็กําจัดวิภาวะตันหา ความอยากจะเสพอารูปฌปานถ้าสามารถกาจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจไนดะ้ใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจก็จะพบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมที่มีอยู่ในใจนั่นเองคือโดยสรุปแล้วความสุขที่แท้จริงที่ถาวร น, นี้ไม่ได้อยู่ที่ใจพบ อยู่ในใจของสัตว์โลกที่หลงไปหาความสุขจากไตรภบนั่นเองพอเลิกหาความสุขจากไตรภบได้เลิกหาความสุขจากการมาพบจากรูปภพบจากอารูปภพบได้ใจก็จะถึงนิพานใจก็จะพบกับความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพานังปรมังสุขขัง ใจจะถึงนิบานังปละมังสุ ข, ขังได้จะไม่ต้องเป็นใจที่เป็นนิบานังปละมังศูนย์อย่างศูนย์จากไตรภพนั่นเองศูนย์จากเหตุที่พาให้ไปเกิดในไตรภพก็คือศูนย์จากกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่เองพอหลังจากที่พระพุทธจเจ้าได้ส่งค้นพบความจริงอันนี้แล้วพอเอามาเผยแผ่แผสั่งสอน เพียงแต่พูดคำสองคำสำหรับคนฉลาดนี่ฟังป๊อปเขาก็เข้าใจเลยเขาก็หยุดความอยากทั้งสามนี่เลยเพราะกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าไป ส, สอนเป็นพวกที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองคือนักบวชที่มีศีลที่บริสุทธ นั้นมีสมาธิมีรูปประชานมีอรูปประชานแล้วพอรู้ว่าให้เอาศีลเอาสมาธินี้มาหยุดความอยากเท่านั้นเองก็สามารถทำได้ผู้ที่เข้ารูปประชานได้เข้าอารูปประชานได้เป็นผู้ที่สามารถหยุดความอยากได้แต่ก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาส่งบอกความจริงว่าปัญหาอยู่ที่ความอยาก ก็เลยไม่มีใครรู้ก็เลยไม่มีใครไปหยุดความอยากกันกลับไปตอบสนองความอยากเวลาอยากได้รูปประชานก็เข้ารูปประชานไปเวลาอยากได้อารูปประชานก็เข้าอารูปประชานไปเวลาอยากจะเสพกามเสบรูปเสียงเกิ่น็อก็ไปเสพกามกันแทนที่จะหยุดมันกลับไปทําตามมันกลับไปหล่อเลี้ยงไปส่งเสริมมัน พอพระพุทธเจ้าได้สรงคนพบความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การกําจัดความอยากทั้งสามประการนี้กําจัดกามตัณหากําจัดภาวะตัณหากําจัดวิภวะตัณหาความอยากเสพกามความอยากเสพรูปประชานความอยากเสเพารูปประชานต้องกําจัดความอยากเหล่านี้ พอกําจัดความอยากเหล่านี้ได้แล้วก็จะถึงพระนิพพานถึงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมการกําจัดก็ต้องกําจัดเป็นขั้นไปขั้นแรกก็กําจัดกามตัณหาก่อนพอกําจัดกามตัณหาได้จิตมันก็จะไปติดอยู่ที่ภาวะตัณหา พอกำจัดภาวะตัณหาได้มันก็จะไปติดอยู่ที่วิภาวะตัณหาจิตมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองเวลาเลิกเสพกามัตัณหาได้จิตมันก็จะไปเสพรูปฌานแทนไปเสพภาวะตัณหาพอมันเลิกเสพภาวะตัณหาเลิกเสพรูปฌานได้มันก็จะไปเสพอรูปฌานวิภาวะตัณหา การปฏิบัติมันจะเป็นขั้นเป็นตอนมันจะค่อยๆขึ้นไปเป็นขั้นต้องกำจัดเรื่องกามตัณหาก่อนพอกำจัดกามตัณหาได้ก็ไปกำจัดภาวะตัณหาพอภาวะตัณหาได้ก็ไปกำจัดวิภาวะตัณหาพอตัณหาทั้งสามได้รับการกำจัดจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วนิพพานก็จะโผล่ขึ้นมา ในใจนั่นเองสรุปก็คือพวกเราทุกคนมีนิพพานอยู่ในใจแล้วแต่เราเข้าไม่ถึงกันแทนที่จะเข้าหานิพพานเรากลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันไปหารูปประชานกันไปหาอารูปประชานกัน<ม>เราก็เลยไม่เคยเข้าถึงพันนิพพานทั้งทั้งที่มันมีอยู่ในตัวของเรามาตลอดเวลานี่คือความโง่ขนาดไหน มีของวิเศษอยู่ในตัวเองแต่กลับไม่หากลับไปหาของที่ไม่วิเศษมีทรัพย์อันประเสริฐอยู่ในใจไม่หาทรัพย์ประเสริฐไปในใจกลับไปหาทรัพย์ที่เป็นเหมือนเศษขยะกองขยะทรัพย์ที่ส่งกลิ่นเหม็นซกทรัพย์ที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆเพราะอาวิชชานี่คําว่าอาวิชชาคือไม่รู้ ไม่รู้ว่าพระนิพพานนี้อยู่ในตัวเราเองไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้อยู่ในใจของเราเองเมื่อไม่รู้ก็เลยไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่กามโมคุณห้าอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะอยู่ที่รูปประญาอยู่ที่อรูปประญาพระพุทธเจ้าก็ต้องหลงก่อน พระพุทธเจ้าตอนต้นก็หลงติดอยู่กับกามมคุณา้าติดอยู่กับกามตันหาตามเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เสพกามเสเพลู้เสียงกดลดิ่นรสมีประสาทสามฤดูมีบริสัทมีบริวารคอยป้อนลูกเสียงกดลิ่นรสชนิดต่างๆให้ตลอดเวลาแต่พอวันหนึง่งได้มีโอกาสออกไปเที่ยวนอกพระราชวัง เราไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายคือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นอนาคตของพระองค์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ความหลงที่หาความสุขจากการเสพกามนี้มันหายไปเลยความสุขที่เคยได้จากการเสพกามนี้กลายเป็นจืดชืดไปเลย เพราะว่รู้ว่าต่อไปในอนาคตเวลาที่ร่างกายของพระ อ, องค์นี้แก่หรือเจ็บหรือตายแล้วจะไม่สามารถเสพกามได้นั่นเองความสุขที่เคยได้จากการเสพกามนี้เลยหมดลดหมดชาติไปเพราะความแก่ความเจ็บความตายมันมาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆพอคิดถึงทีไรพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไร ก็ไม่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะรู้ว่าเสบมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง mm hmm. เดี๋ยวต่อไปมันจะเสบไม่ได้อง mm hmm. ก, ก็เลยไม่มีความสุขจากการเสบกล า, าแตายก็โชคดีว่าวันที่ออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไปเห็นนักบวชเข้าด้วยก็ได้เรียนรู้ว่านักบวชนี้เป็นพวกที่จะไปหา วิธีที่จะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่มีอยู่ในใจที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกนิ้วกายหาพราะองค์ก็มีกำลังใจขึ้นมา ประกอบกับครั้งหนึ่งในสมัยที่เป็นเด็กพระองค์เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นมาจากความสงบของใจวันนั้นพระองค์ตอนที่เป็นเด็กอยู่ประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้อยู่ตามลำพังพวกบริสัท์บริวารที่เคยห้อมล้อมวันนั้นพอดีมีภารกิจมีงานมีการจัดงานของราชของวัง ก็เลยต้องไปช่วยการจัดงานกันก็เลยปล่อยให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมาร น, นั่งประทับอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังพอพระองค์อยู่ตามลำพังไม่มีใครห้อมล้อมไม่มีใครดึงจิตดึงใจให้ออกมาข้างนอกจิตก็เคยจิตที่เคยเข้าข้างในมันก็เข้าข้างในทันที เพราว่าในอดีตชาติพระองค์ก็เคยบําเพ็ญการเข้าสมาธิมาอยู่อยู่แล้วจิตเคยเข้าสมาธิได้อยู่แล้วนั่นเองพอมีภาวะที่ส่งเสริมให้จิตเข้าสมาธิมันก็เข้าไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจขอให้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจที่เคยเข้าข้างในมันจะเข้าของมันไปเองโดยอัตโนมัติตอนนั้นใจของพระองค์ก็เลยสงบพระองค์แล้วก็เกิดความรู้สึกที่สุขมากสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเดี๋ยวไม่นานก็มีพวกบริสัทธ์บริวารกลับมาก็มาดึงใจให้ออกข้างนอก ความสุขนั้นก็หายไปแต่พระองค์ทรงจำได้ถึงความวิเศษของความสุขกันนั้นและเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีนักบวชผู้ที่แสวงหาความสุขแบบนี้อยู่ก็เลยทำให้พระองค์มีกาลังใจว่าเรานี้สามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายได้น่าจะไปทางนี้เพราะ ถ้าเราหาความสุขแบบนี้ได้ตลอดเวลาเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนนั่นเองนี่เป็นเหตุ ท, ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงอยากจะออกบวชแต่ก็ยังไม่กล้าไปยังกล้ากลัวอยู่เพราะยังมีภรรยามีพระราชบิดาคอยเหนียวลั้งเอาไว้ มีพระราชะสมบัติคอยเหนี่ยวรั้งเอาไว้แต่ยิ่งคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นทีไรยิ่งทำให้อยากจะไปมากขึ้นไปทุกทีทุกทีจนถึงวันที่ได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชาโอรสออกมาพอได้ยินได้ฟังพระองค์ก็อุทานว่าลาหุนลาหุนภาษาบาลีแปลว่าบ่วง องค์ทรงบอกว่าต้องคิดว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมารัดคอของพระ อ, องค์ให้ติดอยู่กับการประทับอยู่ในพระราชวังนั่นเองถ้าไม่อยากจะให้บ่วงนี้มาคล้องคอก็ต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั่นเลยพระ อ, องค์ก็เลยต้องสัตตัดสินพระทยัย หนีออกจากวังโดยที่ไม่ไปบอกใครไม่ไปร่ำไปลาใครแม้แต่ลูกก็ไม่กล้าไปดูหน้ากลัวว่าเดี๋ยวใจจะอ่อนใจจ ะ, ะถูกบ่วงของลูกรัดคอไว้นั่นเองก็เลยไม่ไปบอกใครไม่ไปลาใครให้มหาเล็กคนสนิทนั่งขี่มา้าพาไปออกไปถึงนอกเขตพระราชวังเขตเมือง พอพ้นจากเขตเหมืองก็ให้มหานเล็กเอามากลับไปแล้วพระองค์ก็ส่งเดินเท้าต่อไปเพื่อไปหาที่บวชเพื่อไปบวชเพื่อที่จะได้ไปสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานขั้นต่างๆนั่นเองเข้ารูปฌานเข้าอารูปฌาน ก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางรูปประชานกับป ร, รูปประชานแต่ก็สองคนพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่วิเศษแต่มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่มันยังมีเสื่อมได้เวลามันเสื่อมเวลามันก็รู้สึกไม่สบายใจเวลามาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยังทาให้ใจทุกข์อยู่ได้ ถามใครว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ไหมให้ใจมีแต่ความสุขไปตลอดเลยก็ไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ค้นพบว่าเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากทั้งสามประการนี้เองกามาตนะภาวะตันหาวิภาวะตันหาเวลาได้เสพมันก็สุข เวลาไม่ได้เสพมันมันก็ทุกข์เนี่ยเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่จะไม่ได้เสพมันก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่ใจมันรู้ว่าต่อไปมันจะเสพไม่ได้มันก็เลยทุกข์ขึ้นมาก่อนพระองค์ก็เลยส่งส่งย้อนกลับไปดูเวลาอยู่ในฌาน เวลาใจสงบไม่มีความอยากเลยวะ่ะไม่มีความอยากไม่มีกามตัณหาไม่มีภวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาเวลานั้นใจมีความสงบมีความสุขแต่พอออกมาจากสมาธิออกมาจากฌานก็เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสุขที่ได้จากฌานก็หายไปพระองก็เลยทรงรู้ว่าออ เหตุที่มาทาลายความสุขที่ทำให้ความสุขไม่ถาวรนี่ก็คือความอยากนี่เองก็เลยกําจัดมันทุกครั้งที่เกิดความอยากออกจากสมาธิมาพออยากจะเสพกามก็หยุดมันแต่จะหยุดมันเฉยๆก็ไม่ได้มันต้องมีเหตุผลมันถึงจะหยุด เ, เหตุผลที่จะทำให้ใจหยุดเสพกามก็คือต้องเห็นว่า กามนี้มันเป็นไตรัก์นี้เองกามมงคลห้าที่เสพกันนี่เป็นไตรักไตรักคืออะไรคือมันไม่เที่ยงกามมคคณห้ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทาให้เกิดทุกขังขึ้นมาพอมันเป็นอนิจจงอะไรเป็นอนิจจงมันจะต้องเป็นทุกขังขึ้นมาแล้วที่มันเป็นทุกขังก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตา ไม่มีใครไปห้ามมันได้ไม่มีใครไปทำให้มันเที่ยงได้นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดได้ก็มีดับได้มีเจริญได้ก็ต้องมีเสื่อมมีมาก็ต้องมีไปนีพอพุ พอเห็นปลายลัคน์ในกามะคุณห้าในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทําให้ใจไม่อยากเสพกามะคุณอีกต่อไปเพราะรู้ว่าเสพแล้วจะต้องทําให้ทุกข์นั่นเองก็เลยทําให้เลิกกามกามะตัณหาได้เช่นเดียวกับภาวะตัณหาความอยากเสพรูปประชานก็เหมือนกันรูปประชานก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเข้าฌานก็มีความสุขมาก พอออกจากฌานมาความสุขนั้นก็จางหายไปเหมือนกันเพราะเกิดความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสหรืออยากจะเสพการมคุณอยากจะเสบรูปฌานใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆถึงจะได้ความสุขจากรูปฌานแต่เวลาออกจากรูปฌานมาความสุขนั้นก็จะหายไปก็เลยต้องรู้ว่าความอยากจะเสพรูปฌานนี้เองที่ทําให้ความสุขที่ได้จาก ความสงบมันหายไปก็เลยต้องตัดด้วยการเห็นว่ารูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับอารูปฌานก็เหมือนกันอารูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายร่างทั้งหมดก็เลยต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เสพความอยากได้อะไรทั้งหมดอยากได้กาม มากามคุณห้าอยากจะได้รูปฌปานอยากจะได้อารูปฌปานอยากจะได้ความสุขแม้ความอยากจะได้ความสุขที่ถาวรก็ต้องหยุดมันเพราะถ้ายัางมีความอยากที่จะได้ความสุขที่ถาวรอยากได้นิพพานอยู่มันก็ไม่ถึงนิพพานอีกมันจะเป็นตัวขวางกั้นนิพพานไว พอผู้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแล้วพอเกิดความอยากแบบใดแบบหนึ่งนี้จะต้องหยุดมันด้วยตายรักทันทีพอหยุดมันด้วยตายรักได้หมดมันก็จะหายไปพอมันหายไปแล้วทีนี้น่ะความอยากที่ความสุขที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่ถูกความอยากทั้งสามนี้คอยกั้นเอาไว้เท่านั้นเอง ความอยากได้กรมาตั้ความอยากได้กามขุณหความอยากได้รูปประชานความอยากได้อารูปประชานนี้มันก็จะมาขวางความสุขของพันนิพานให้เกิดขึ้นมาในใจนั่นเองเออพอพระพุทธเจ้าพิจารณาได้ปับ๊บพอรู้ว่ามีความอยากตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ใช้ไตลักษณ์สอนใจสอนว่ามันเที่ยงหรอไม่เที่ยง Blender, มันทุกแล้วสุขกัน queer, มันเราควบคุมสั่งให้มันเที่ยงได้หรือเปล่าสั่งให้มันสุขไปตลอดได้หรือเปล่าไม่ได้ความสุขจากการมคนห้าสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ความสุขจากรูปประชานสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ความสุขจากอารูปปาน เพื่อให้เรามีให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดก็สั่งมันไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองมันเป็นความสุขชั่วคราวพอรู้แล้วว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันก็จะต้องเป็นความทุกข์เวลามันเสื่อมก็เลยไม่อยากได้ความสุขเหนี้นั่นเองพอตัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจเท่านั้นใจก็เลยสงบอย่างถาวรนขึ้นมาทันที พะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบนี้เองสิ่งที่ทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆการมกามะตัญหาภาวตัหาวิภาวะตัญหาและความอยากให้ใจสงบอย่างถาวร น, นี่ก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันผู้ปฏิบัติไปแล้วใจที่สุดจะต้องย้อนกลับมาเจอตัวนี้ไอ้ตัวที่อยากจะให้ความสุขมันเป็นความสุขที่ถาวรถ้ายังอยากอยู่มันก็จะไม่มี ต้องไม่อยากให้มันมีต้องหยุดความอยากทุกชัดนิดมันถึงจะได้ความสุขที่ถาวรแต่มันต้องตัดเป็นขั้นขั้นไปมันต้องตัดตั้งแต่ขั้นหยาบก่อนคือความอยากในกามคุณหอย่างนั้นก็ไปตัดความอยากที่ละเอียดกว่าคือความอยากในรูปประชานตัดความอยากจากรูปประชานได้ก็ไปตัดความอยากจากรูปประชาน พอตัดความอยากจากอารุประชานได้ก็ต้องไปตัดความอยากที่จะได้พันิพานความอยากที่จะได้ความสงบอย่างถาวรผู้ปฏิบัติไปมันจะเห็นความอยากเหล่านี้โผล่ขึ้นมาตามลำดับขั้นของมันเหมือนกับเวลาเราต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเนี่ยเขาจะมีหลายชั้นด้วยกันข้าศึกศัตรู ที่จะคอยคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดินหรือบอกกอสูงสุดเนี่ยจะมีทหารราบมีทหารแทงมีทหารอากาศมีทหารหน่วยกู้ภัยพิเศษอะไรคอยห้อมล้อมคอยปกป้อง พระเจ้าเป็นดินที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องลุยเข้าไปเป็นทีละขั้นทำลายฐานลาบก่อนทำลายพวกแท้งก่อนทำลายพวกฐานมาฐานอะไรไปก่อนเดี๋ยวก็เข้าไปถึงในวังพอไปถึงในวังก็จะเจอตัวสุดท้ายตัวความอยากที่ได้ความสุขที่ถาวร น, นั่นเองทำลายกามตนะหาก่อนแล้วก็เข้าไปทำลายภาวะตันหา พอทำลายภาวะตันหาได้ก็จะเข้าไปทำลายวิภาวะตันหาได้พอไปถึงวิภวะตันหาก็จะทำลายความอยากได้พรนิพพานได้ความอยากให้มันสงบไปตลอดเวลาพอทำลายความอยากต่างๆหมดไปปับ๊บความอยากที่ความสงบที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นของที่มีอยู่ในใจของเราแล้วแต่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ พราะมีความอยากคอยกันมันไว้เองท่านนั้นเองพอเอาสิ่งที่กันความอยากพอเอาความเอาสิ่งที่กันความสุขที่ถาวร น, นี้ออกไปหมดแล้วความสุขที่ถาวรก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกับขนมที่เรากินก่อนจะกินขนมได้เนี่ยต้องแกะกระดาษต้องแกะกล่องนะยิ่งถ้าเป็นของขวัญนี่ก็ต้องห่อใส่กล่องของขวัญอีกแกะโบแกะกระดาษ แกะก่อนแล้วยังต้องไปแกะภาชนะที่หุ้มห่อขนมอีกกว่าจะถึงตัวขนมเนี่ยต้องแกะหลายชั้นด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันกว่าจะเข้าถึงความสุขของพระนิพพานได้มันต้องตัดความอยากที่จะได้ความสุขชนิดอื่นๆไปให้หมดก่อนต้องตัดความสุขชนิดหยาบ ก, ก่อนก็คือความสุขทางตาหูจมูกิือกายต่อจากนั้นก็ต้องมาตัดความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลจากรูปจากกามาตัะหาก็ต้องมาตัดความสุขจากรูปประจานพอละกามาตัะหาได้ก็ต้องมาละภาวะตันหาละภาวะตันหาได้ก็จะไปเจอวิภาวะตันหาพอละวิภาวะตันหาได้ก็จะไปเจอความอยากที่จะได้นิพพานก็ต้องละมันหมดถึงจะได้นิพพานอย่างพระอา น, นุนี่ ละกามตัณหาได้ละภาวะตัณหาได้ละวิภาวะตัณหาได้ตาไปติดอยากจะไปนิพพานเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าได้สง่งทำนายไว้ว่าภายในสามเดือนใจของพระอนันต์พระพระอ น, นุอจะได้นิพพานนั่นเอง แต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วตัณหาทั้งสามแล้วใจมันก็ยังไม่สุขอย่างเต็มที่ยังสุกสุขดิบดบอยู่ยังกวนกวาดกระสับกระสายอยู่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงใกล้สว่างแล้วก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าการประายัดของพระพุทธเจ้าคราวนี้ผิดพลาดแน่นอนก็เลย ละความอยากที่จะไปนิพพานขอนอนดีกว่าเพราะเหนื่อยแล้วปฏิบัติมาทั้งคืนเพื่อที่จะได้ไปนิพพานเพราะอยากไปนิพพานละความอยากทั้งสามหมดแล้วมันก็ยังไปไม่ถึงในที่สุดก็เลยต้องเลิกเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนความอยากไปนิพพานนอนดีกว่าพอเตรียมท่าจะนอนท่านเองในขณะอยู่ท่าระหว่างท่านั่งกับท่านอน จิตเลิกคิดที่จะไปนิพพานมันก็เลยมันก็เลยบรรลุไปถึงพระนิพพานได้นี่แหละเป็นความอยากต่างๆที่ผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติมไปแล้วจะต้องผ่านะต้องต้องผ่านขั้นหยาบขั้นละเอยขั้นหยาบไปก่อนเพราะมันง่ายกว่าขั้นละเอียดนั่นเองต้องผ่านไปเป็นขั้นๆแล้วมันจะเจอความอยากเหล่านี้เองถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอาจจะไม่ ไม่รู้อาจจะไปติดขั้นสุดท้ายก็ได้ไม่รู้ว่าทำไมยังไม่นิพพานทันที mm. ก็เพราะความอยากนิพพานนี่แหะว่าที่มันทำให้ไม่นิพพานความอยากเหมือนก็ละได้หมดนะกามตัณหาก็ละได้ภาวาตัณหากะละได้วิภาวะตัณหากะละได้ทำไมมันยังสุขสขุทุ ก, ท, กทุกอยู่ mm. ก็เพราะว่ายังอยากให้มันสุขอย่างถาวร น, นั่นเอง mm. ก็ต้องอย่าไปอยากมัน มันสุขก็สุขมันทุกข์ก็ทุกข์พิจารณามันว่ามันเป็นตายลากไปหมดไปทำอะไรมันไม่ได้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันพอปล่อยวางได้ปั๊บจิตที่สุขุทุกข์ทุกข์ก็กลายเป็นจิตที่ไม่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นจิตที่สุขไปตลอดเวลาเราก็เรียกว่านิพพานนั่นเองสิ่งเหล่า น, นี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่มีพระพุทธเจ้ามาตัารู้เป็นคนแรก แล้วเอาความรู้นี่มาสพอยแพร่สั่งสอนมาแก้อวิชชาแก้ความหลงด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเออถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเรายังใช้เงินซื้อความสุขอยู่เราก็ต้องเลิกใช้เงินซื้อความสุขเอาเงินไปทําบุญทําทานแทนซื้อความสุขจากการทําบุญทําทานเป็นความสุขที่ ที่ที่ถูกทางที่จะพาให้เราเข้าสู่ความสุขภายในใจต่อไปนั้นนั่นเองเนีพอเราทำปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้ทำทานรักษาศีลภาวนาได้หรือถ้าไปบวชก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ช้าเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่ที่ขวางกั้นพนิพาที่มีอยู่ในใจของพวกเราเราแล้วนี้ ให้หายไปทำให้พระนิพพานโผล่ขึ้นมาภายในใจนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเรายังหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่แต่ความจริงความสุขมันมีอยู่ในใจของเราแล้วเพียงแต่ถูกกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาหุ้มห่อไว้เท่านั้นเอง เหมือนขนมอะไรอร่อยมีอยู่ในกล่องนี้แล้วแต่ต้องขยันแกะกล่องหน่อยท่านเองแกะแกะห่อของขวัญออกแกะโบออกแกะกล่องที่ใสขข่ของของของขวัญนั้นนี้ออกแล้วพอไปถึงตัวสุดท้ายก็จะเจอของขวัญอันวิเศษเจอเพชรน้ำหนักห้าสิบกิัลล้อยกิัลเนี่ยเพชรสีขาวที่บริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ เรื่องของความหลงมันหลอกให้เราไปหาของปลอมของจริงอยู่ในตัวเรากับไม่หากันก็อขอให้พวกเราเชื่อ พ, พระพุทธเจ้าแล้วมาหาของจริงกันเถิดมาหาของจริงที่มีอยู่ในใจของเราด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือถ้าไปบวชก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วไม่เกินถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน ไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ ยุจิตังปะทิตามตุมหังคิบะเมวาสเมจะตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธา มณีโชติอาราโยถาสพิติโยวิวาจันโตสัพพโรควินัตสตวมัตต์วโตอันตรายโยสุขีตีคายุโกภวอภิวาทนสีลิสานิจังุทาปจายโน กัตตาโรธมรมวาทานติอายุวโนสุขังพาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามา356ยูทูบ202วิทย์ออนไลน์37รับฟังข้างบนนี้36คนรวมทั้งหมด631ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาแล้วค น, คนที่ติดตามทา้งบ้านเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความเข้ามามแล้วก็จะตอบเขาใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็ถามได้ถ้าอยากฟังก็ต้องนั่งเฉยๆนะหนูนะถ้าหนูฟังเบื่อก็ลุกออกไปเล่นข้างนอกได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุยกันเล่นกันมันจะรบกวนเพราะที่นี่เป็นเหมือนห้องเรียนนะ ไปเล่นไ ป, ไปเล่นข้างนอกดีไหม น, นั่งฟังก็ไม่รู้เรื่องพาไปนั่งแถวโขนต้นโพนั้นนะ่ะเป็นเล่นกันแถวนั้นดีกว่าส่วนผู้ใหญ่ถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่หรือไปนั่งฟังข้างนอกก็ได้ข้างนอกก็มีไมโครโฟนอ่านะตามสบายน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหา ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ เ, เอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันคำถามจากคุณรัชนีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนเสมอใช่ไหมคะนั่นแหละผู้ที่บำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์นี่ะเป็นผู้ที่ อุทิศชีวิตถวายชีวิตให้แก่การสแสวงหาพระนิพพานนั่นเองพวกเหล่านี้จะเป็นพวกนักบวชเป็นพวกที่ไม่ห า, าลาภยศสรรเสริญจะหาบารมีสิบทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีนิคัมมบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมี สัจจะบา ร, รมีขันติบา ร, รมีเนียพวกนี้จะเป็นคนที่มีความศีลสละสูงมีความเมตตาสูงมีศีลมากพวกนี้จะไม่หาความร่ำรวยไม่ได้ความหาความเป็นใหญ่ความเป็นตเหมือนพวกที่พวกที่กำลังหากันอยู่ตอนนี้พวกที่หาเลิกตังนี้ไม่ใช่พวกโพธิสัตว์ พูกทีกำลังจะหานายกหาตำแหน่งกันนี้ไม่ใช่โพธิสัตว์โพธิสัตว์นี่เขาจะไปรักษาศีลกันไปภาวนากันไปทำบุญทำทานกันไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรกันพวกนี้เป็นพวกโพธิสัตว์คำถามต่อไปจากคุณปุ๊กกรณีที่ไม่สามารถใส่บาตรท่านอาจารย์เนื่องจากอยู่ไกลแต่นำปัจจัยอย่างอื่นๆไปถวายตอนท่านเทศเสร็จ จะมีอนิสงส์เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ครับคนให้ได้เหมือนกันเนี่อยู่ที่ปริมาณเงินทองที่ให้เสียสละไปให้มากก็ได้บ้างได้มากให้น้อยก็ได้น้อยแต่คนรับนี่ก็แล้วแต่ของที่ให้มาถ้าให้ให้อาหารก็กินอาหารถ้าให้เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าใส่แล้วแต่จะให้อะไรของไม้ของของใช้ไม้สอย ก็ต้องให้หลายๆอย่างเพราะไม่ได้ใช้อย่างเดียวข้าวก็ต้องกินผ้าเสื้อผ้าก็ต้องมีอยู่ที่อยู่อาศัยก็ต้องมีปัจจัยสี่ก็ต้องมียารักษาโรค ก, ก็ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม้กวาดอะไรต่างๆผ้าถูพื้นผงซักฟอกเครื่องําระการทำความสะอาดอะไรต่างๆก็ถวายได้เป็นประโยชน์หมด แต่บุญที่ได้อยู่ที่ถวายมากถวายน้อยถวายน้อยก็ได้น้อยถวายมากก็ได้มากไม่ได้อยู่ที่ของที่ให้ <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณพรณิภาโยมฝึกสติในชีวิตประจําวันมาเกือบปีแล้วค่ะมีความรู้ตัวถี่ขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวมีเผลอลืมก็กลับมารู้ตัวใหม่และตอนนี้เห็นถึงความรู้สึกของใจ เห็นความโกรธความไม่พอใจเห็นความดีใจเห็นใจมัวหมองเห็นขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจดูเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปพิจารณาด้วยไตรลักษณ์เกิดขึ้นเองดับไปเองไม่เที่ยงได้ไหมเจ้าคะได้แต่มันยังไม่พอหลเหมือนเป็นเพียงแต่ผิวผิวเท่านั้นเองต้องลงเข้าไปลึกกว่านั้นต้องเข้าไปในใจลึกกว่าต้องนั่งสมาธิ ถ้ามีสติดูใจได้ควบคุมความคิดได้ทีนี้ต้องถัดนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจให้ใจมันเข้าไปลึกๆเข้าไปถึงฐานเลยเพราะตัวกิเลสมันอยู่ลึกมากถ้าต้องการกำจัดกิเลสให้มันหายขาดไปนี้ต้องเข้าไปในสมาธิก่อนเมื่อเข้าถึงฐานของจิตแล้วทีนี้ก็จะสามารถ ถอนลากถอนโคนของกิเลสตันหาด้วยการเจริญปัญญาต่อไปได้ถ้ายังไม่เข้าไปถึงฐานนี่มันจะได้แต่เปลือกของกิเลสเท่านั้นเองทำลายมันวันสองวันเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันจะไม่หายอย่างราบคาบดังั้นต้องได้สมาธิก่อนพอฝึกสติได้แล้วเทนี้ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิ พอจิตเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาในระดับที่อยู่ลึกนี้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะทำลายเพียงแต่ผิวของกิเลสเท่านั้นเองมันก็ทาให้มันถลอกปอกเปลือกแต่มันไม่ตายกดปับ๊บหยุดมันปั๊บเดี๋ยวสองสามวันมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้แต่อยากจะทำลายมันทั้งหมดต้อง ทำลายด้วยอัปปนาสมาธิกับปัญญาคือภาวนามยาปัญญานั่นเองถ้าเป็นถ้าเป็นปัญญาแบบจินตามยาปัญญานี้มันทำลายไม่ได้มากแค่ผิวทำให้มันกิลเลสตันหาทะลอกปอกเปลือกเดี๋ยวมันทายาแดงหน่อยก็หายต้องฆ่ามันต้องใช้ภาวนามยาปัญญา จะใช้ไปภาวนามายะปัญญาได้จิตต้องเข้าถึงฐานของจิตก่อนเข้าสู่สมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนคำถามต่อไปจากคุณเพ็ญศรีมีคนแก่เอาเงินมาฝากไว้แต่เขาได้เสียชีวิตทำอย่างไรเขาถึงจะได้รับรู้ว่าเราจะคืนเงินให้เขาครับก็ติดต่อเขาดูสิมีเบอร์โทรเขาหรือเปล่ปา ถ้าเรามีพลังจิตแล้วก็ค้นหาก็ได้เหมือนพระพุทธเจ้า<ม>พระพุทธเจ้าอยากจะติดต่อกมารดา<ม>ก็ค้นหาเท่านก็ค้นพบว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ติดต่อกันได้ทดแทนบุญคุณได้ด้วยการแสดงธรรมให้พระ<ม>พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าเราอยากจะติดต่อคนแก่แล้วก็ต้องไปซื้อเครื่องมือที่จะติดต่อคนตาย เครื่องมือที่จะติดต่อคนตายก็คือสมาธินี่ให้ฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็สามารถส่งใจเข้าสู่โลกทิพไปหาผู้ที่ร่วงรับแล้วได้คําถามต่อไปจากคุณปราโมทการใคร่ควรวญเวียนคิดแต่ในข้อธรรมตลอดทั้งการเห็นการเปลี่ยนแปลงรอบตัวในปัจจุบันขณะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในธรรธรรมเรียกวิธีนี้ว่าอย่างไรครับเรียกว่าจินตามัยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไข้ควรแต่ยังไม่มีกำลังที่จะฆ่ากิเลสให้ตายได้ทำได้อย่างมากก็ทำให้กิเลสมันอ่อนกำลังลงบ้างบางครั้งบางเวลาแต่มันไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะกลับโผล่ขึ้นมาใหม่พออยากจะได้เงินพอพิจารณาว่าเป็นตายรักไม่เอาก็ได้วะ แต่ครั้งต่อไปเงินมันมากขึ้นมากขึ้นมันอาจจะตายรักไม่ออกก็ได้แต่ถ้าจะทําลายเงินความต้องการเงินนี้ต้องให้จิตได้สมาธิก่อนถ้าจิตมีสมาธิมันมีความสุขที่ดีกว่าเงินทองนั่นเองเมื่อมีเงินทองระดับร้อยล้านพันล้านมันก็มันก็ตัดได้มันก็ไม่เอาก็ได้คําถามต่อไปจากคุณแสงจันทร์ บทที่พระให้พรคือยัตถาและสัพพีใช้เฉพาะพระหรือผู้เท่าผู้แก่สามารถใช้ให้พรลูกหลานได้ไหมคะั ก, ก็ได้ทั้งนั้ น, นะเพียงแต่ว่าก็ไม่นิยมนะเป็นคำให้พรของพระเราไม่ได้เป็นพระเราก็อย่าไปเอาของพระมาใช้เราก็ใช้ภาษาของเราก็ได้ขอให้ลูกหลานามีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้นอะไรก็ว่าไปอย่าไปเรียนแบบพระเราไม่ได้เป็นพระเหมือนเราไม่ได้เป็นตำรวจเราอย่าไปใส่ใส่เครื่องแบบของตำรวจเดี๋ยวถูกจับหาว่าอาลอกเรียนการเป็นตำรวจเเนีี่่ยยพระก็เหมือนกันใครไม่เป็นพระลองไปแต่งชุดพระดูเลยถูกตำรวจจับเอานะขาพระปลอม อย่างนั้นอย่าไปใช้สิ่งที่ของเป็นคู่กับของพระอย่าไปใช้บาตรใช้จีวรใช้คําอวยพรของพระอันนี้เป็นของที่เขาให้ไว้สําหรับให้พระใช้เราไม่ได้เป็นพระเราใช้ของเราดีกว่าเราใช้ภาษาของเราขอให้ลูกหลานมีความสุขความเจริญนะให้ร่ําให้รวยแค้ว่าขาดปลอดภัยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ให้พรเหมือนกัน อย่าไปให้คำภาษาบาลีหนึ่งเราก็ไม่รู้ความหมายสองนึ่งมัธจะรู้ความหมายคนรับก็ไม่รู้ความหมายนั้นอย่าไปใช้คำห้วยพรของพระจะดีกว่าไม่มีข้อห้ามอันนี้ไม่มีห้ามจะใช้ก็ใช้ได้แต่มันจะดูเหมือนดัดจริตมากกว่าคนดูแล้วก็อาจจะแทนที่เขาจะชื่นชมยินดีก็าอาจจะคิดว่าอิโท่ดัดจริต อยากจะเป็นพระขึ้นมาพระเป็นของสูงนะไม่ใช่ของต่ำยัน้าเรายังไม่ได้สูงระดับพระเราอย่าไปยกตัวเองขึ้นไปในระดับนั้นถ้าอยากไปเป็นพระก็ไปบวชบวชแล้วเทนี้จะไปะยะาทาสั พ, พีให้ใครก็ได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรคำถามต่อไปจากคุณวรพงศ์ผมพิจารณาดูลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท โดยพิจารณาถึงกฎของไตรลักษณ์ประกอบไปด้วยและก็คอยสังเกตตัวพูดตัวภาคภายในใจแบบนี้ถือว่าเป็นการทำสมาธิไปพร้อมกับเดินวิปัสสนาทางปัญญาหรือเปล่าครับทำไม่ได้หรอกมันทำสองอย่างไม่ได้มันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทำสมาธิก็ต้องเพ่งอยู่อย่างเดียวไม่ให้พิจารณาไม่ให้ดูไม่ให้ดูหลายอย่างให้ดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวไป อันนี้มันเอาจับใชนะ่เอาทุกอย่างเลยถ้าเป็นพิซซ่าก็เอาทุกรสเลยอันนี้มันก็การปฏิบัติมันก็จะมันก็จะมั่วพูดง่ายๆแล้วมันก็จะไม่ได้อะไรสักอย่างความสงบก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เพราะมันไม่ไทําแบบเป็นกอบเป็นกับมันไม่ได้ทําแบบจับปลาสองมือมันจับหลายมือ จับหลายตัวจับปลามือเดียวจับหลายตัวให้เดี๋ยวมันก็หลุดไปทั้งสองตัวนะั่นแหละเดี๋ยวาได้ทําตามที่พระเจ้าสอนถ้านั่งสมาธิก็เพ่งอย่าให้คิดนให้สงบให้นิ่งะถ้าปัญญาก็ให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาปัญญาไปคําถามต่อไปจากคุณจินคอบ กลับให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงการสวยอารมณ์ของจิตและการทํางานของตัณหาทั้งสามครับเาจิตก็คอยเสวยความสุขอยู่นั่นเองสิ่งที่จิตพวกเราทุกคนเสวยกันก็คือความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความสุขทางใจบางทีนั่งฝันถึงแฟนก็มีความสุขแหละอันนี้ก็เป็นการสวยแต่บางทีเราสั่งความคิดให้มันคิดถึงแฟนอย่างเดียวไม่ได้ พรเวลาไปคิดถึงแฟนบางทีไปคิดถึงตอนที่ทะเลาะกันนะ่ะความสุขที่จะได้ก็ไม่ได้แนละ้วกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนะพราะไม่ได้จิตก็เลยทุกข์ใหญนะ่ถ้าอยากจะให้จิตสวยความสุขอย่างเดียวต้องรู้จักควบคุมความคิดอย่าให้จิตคิดนะถ้าจิตว่างแล้วจะสวยความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความคิดที่ดี ว่าบางทีถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีมันก็ทําให้ความสุข ท, ที่เกิดจากความคิดที่ดีหายไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ดีได้เห้นทางที่ดีที่สุดอย่าไปเสดความสุขจากความคิดดีกว่าให้เสด จ, จากการหยุดคิดดีกว่าคําถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์มีสองคำถามครับ ในสินข้อที่หเว้นจากการกินในยามวิการอยากทราบว่าหลังยามวิการดื่มได้แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าอยากจะเคร่งบริสุดที่สุดก็<ม>ก็ดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ต้องการน้อยเปอร์เซ็นตก็ยังสามารถดื่มบางอย่างที่พระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ดื่มได้เช่นน้าผลไม้ต่างๆแต่ต้องคั้นจากผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากลำปั้นะ วพวกแตงโมพวกมะพร้าวนี่ดื่มน้ำของพวกนี้ไม่ได้เพราะมันผลไม้ที่เกินขนาดไปต้องผลไม้เล็กกว่าหรือเท่ากับกำปั้นเช่นส้มองุ่นแอปเปิ้ลหรืออะไรทํานองนี้และเวลาคั้นก็ต้องอย่าให้มีกากอย่าให้มีเนื้อต้องกรองมันออกให้หมดให้เหลือแต่น้ำเปล่าๆน้ำของผลไม้หรือจะดื่มเพสตที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ดื่ม เภสัชคือยารักษาอาจจะเริ่มของโรคของท้องเจ็บท้องอก็อาจจะให้ดื่มน้ำพึ่งได้ดื่มน้ำตาลได้กินน้ำตาลได้น้ำพึ่งเนยข้นเ น, นยใสยน้ำมันเนี่ยมีห้าชนิดเรียวกว่าเภสัช5้าอันนี้ก็รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว บางทีท้องมันอาจจะเป็นแผลหรืออะไรหรือว่ามันหรือร่างกายมันเหนื่อยมันอยากจะได้กําลังหน่อยก็เดือมน้ํากินน้ําตาลเข้าไปหน่อยกินน้ําพึ่งเข้าไปหน่อยอะไรทํำนองนี้แล้วก็นอกจากเพศาชห้าผลไม้แล้วอะไรที่สงเคราะห์อยู่ในกลุ่มนี้ก็ดื่มได้เช่นดื่มน้ําชากาแฟเพราะใบชาก็ถือว่าเป็นยาใบกาแฟเม็ดกาแฟก็ถือว่าเป็นยา โกโก้ก็ถือว่าเป็นยาอยากจะดื่มน้ำชากาแฟก็ได้แต่ยาใส่นมเพราะนมนี้ถือว่าเป็นอาหารกอแฟเม็ถึงแม้จะไม่เป็นนมก็ถือว่าเป็นนมเทียมก็ไม่ควรที่จะไปดื่มอย่าไปใช้เหมือนกินกาแฟดำกินโอเลี้ยงไปถ้าอยากกินกาแฟก็กินโอเลี้ยงอย่าไปกินกาแฟเย็นที่ต้องใส่นมเอันนี้คือสิ่งที่ยังสามารถที่จะ ดื่มได้หลังจากเท่งวันไปแล้วหรือแม้แต่สิ่งที่ถือว่าเป็นยาเช่นสมัยนี้ก็ว่าพวกสาหลายนี่เป็นยาเขาก็ให้กินได้พวกสาหลายสาลายญี่ปุ่นเนี่ยที่เด็กชอบกินอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นยาเอเป็นเพสัชหรือยาชาวบ้านต่างๆเอบางทีญาติโยมไปวัดป่าเนี่จะเห็นมีถาดผัก ซึ่งเป็นใบไม้ใบา ย, ยาเป็นสมุนไพรที่พระเอามารับประทานเารับประทานกับอ่สมอแดองกิ้มน้ําตาลเกลือให้มันมีรสชาติหน่อยดูแล้วก็เหมือนกับรับประทานอาหารแต่ท่านก็กําลังรับประทานยาเอพบางทีฉันแล้วมันไม่มันไม่ระบายพวกนี้ก็จะช่วยระบายได้พวกสมอดองนี่มัน ก, กินเข้าไปแล้วมันจะช่วยถ่ายให้ง่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นฤทธิสีดวงทวารกันสิ่งเหล่านี้ก็รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่สำหรับพระที่เเข่งเเ่งท่านพระที่ไปทุงดงในป่าคนเดียวของพวกนี้ท่านไม่ขนไปหรอกท่านก็เอาแต่น้ำเปล่าหรือยอย่างมากก็ต้มน้าแล้วก็ถ้ามีแก่นไม้รากไม้ที่เป็นยาก็อาจจะต้มแก่นไม้รากไม้แล้วก็ดื่มเป็นยาไป คำถามที่สอง เ, อเรื่องสิลข้อที่8ดเกี่ยวกับการเวร้นการนั่งนอนในที่นอนใหญ่ที่ถูกต้องคืออะไรครับหรือต้องปูศาสตร์ผืนหมอนใบครับก็นั่นแหละคือให้มันเรียบง่ายอย่ายุ่งยากกับการหลับการนอน อ, อยงนั้นเดี๋ยวเวลาจะนั่งที่ไหนที่เราต้องขนอาสนะไปด้วยจะนอนก็ต้องขนเตียงขนอะไรไปด้วยแบบเรียบง่ายแบบเแบบพระธนดงนะ นอนแบบพัะธุดงนั่งแบบพัะธุดงไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรมาให้วุ่นวายคำถามต่อไปจากคุณปินิติมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมพิจารณาให้เห็นชัดอย่างไรครับก็ดูร่างกายเราไง พิจารณาของที่เราลักเราห่วงของที่ไม่เราลักไม่ห่วงไม่ต้องไปพิจารณาให้เสียเวลาเอาของที่เราลักเราห่วงเพราะเราจะรู้ว่าเวลาของที่เราลักเราห่วงจากเราไปนี้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราพิจารณาเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะปล่อยวางเพราะเราจะรู้ว่าจะต้องมีการจากกันนี่คือการพิจารณาความไม่เที่ยงให้พิจารณากับของที่เราลักเราห่วงเช่นเงินทองนี่ เวลาหายไปนี้รู้สึกไงใจหายเลยไตมอยู่ดีๆไปเช็คบัญชีดูเอาหายเป็นล้านหนึ่งให้ใครเอาไปวะอันนี้แต่ต้องพิจารณาว่ามันอาจจะหายได้สมัยนี้เขาแฮกได้เนะคนที่มีบัญชีออนไลน์นี่ระวังนะก่อใครมันเข้าไปบัญชีเราได้มันย้ายเงินจากบัญชีเราไปสู่บัญชีเขาได้อย่างง่ายดาย งั้นก็ต้องเตรียมทําตัวเตรียมตัวเตรียมใจคิดว่ามันไม่เที่ยงนะ เ, นเงินทองเหล่านี้มันไม่เที่ยงงั้นถ้าจะใช้ออนไลน์นี้อย่าเอาเงินใส่เข้าไปเยอะบัญชีที่จะใช้กับออนไลน์นี้เอาใช้เอาไว้เท่าที่ต้องการจะใช้ก็พออย่าไปไว้มาก ไว้มาถ้าเกิดใครแฮกเขาเลือใครไปจับโทรศัพท์มือถือเขาเราลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ไหนเกิดไม่ได้ล็อกไว้พอเขาเปิดเข้าไปได้เขาก็โอนเงินเข้ากับบัญชีเขาได้เลยอย่าง น, นต้องระมัดระวังต้องพิจารณาว่ามันมีโอกาสนะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆคําถามต่อไปจากคุณศิริศักดิ์ การภาวนาเริ่มแรกพิจารณาอสุภะได้เลยไหมครับก็แล้วแต่ว่าเรามีปัญหากับเรื่องนี้เรื่องกามหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนบ้ากามก็ต้องรี บ, ร บ, รบพิจารณาอสุภะแต่ถ้าเราไม่บ้ากามเราเฉยเฉยไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ยังไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นพระนี่ต้องพิจารณาอสุภะเพราะว่าพระนี่มักจะบ้ากามกัน ว่าเพราะว่ามันอยู่ห่างมันมันอยู่ห่างน้ำพึ่งอยู่ห่างน้ำตาล <c oughs> มันก็เลยหิวน้ำตาลพวกที่อยู่ใกล้น้ำตาลมันไม่ค่อยหิวหรอกเพราะมันมีกินตลอดวันแต่พวกที่อยู่ห่างน้ำตาลนี่มันมันโหยเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่พิจารณาสุภาพิตเดี๋ยวมันทนอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องออกไปหากรามมาเสพ เพราะพระพุทธเจ้าหนึ่งสอนให้พระบวชใหม่ตั้งแต่อยู่ในโบสถ์เลยวันบวชเลยให้พิจารณาสุภาตั้งแต่วันบวชเลยเพียงแต่ท่านไม่เรียกว่าสุภาท่านเรียกว่ากรรมฐานห้าอาการห้าอาการของร่างกายคือเกศโลมานาขาดันตาตาโจอันนี้สอนเพื่อให้ <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้น ต่อไปพอรู้ห้า อ, อาการแล้วก็ให้ต่อไปถึงอาการสามสิบสองที่เหลืออยู่ก็จะเห็นอสุภะภายในร่างกายขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ผ้าไม่ร้อนใจไม่ร้อนอยู่เป็นพระต่อไปได้พวกที่บวชสามเดือนนี้เสกกันก็ะพาะเนี่ยมันสู้กามไม่ได้แต่มันอ้างอย่างอื่นอ้างว่าต้องไปทำงานอ้างว่าต้องไปดูแลพ่อแม่อ้างไปอะไรร้อยแปดแต่พอมันออกไปแล้วมันก็ไปเสพกามกัน <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณพายักษ์พระธุดงสามารถก่อไฟในป่าได้ไหมครับไฟถ้าเป็นไฟที่มันไม่ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่จะทําให้สัตว์ตายก็ก่อได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ลูกศิษย์ก่อให้ดีกว่าเพราะพื้นที่เราก่อมันอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ <c oughs> แต่ถ้าเราก่อบนพื้นที่เราเห็นว่าไม่มีตัวสัตว์ก็ก่อได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามอาการของพระโสดาบันรู้ว่าละสังโยชน์สามได้แล้วจะมีอาการเฉพาะตนอย่างไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโสดาบันแล้วจริงๆไม่ใช่กิเลสหรอกครับ อ, อันนี้ต้องปฏิบัติ อ, อันนี้พูดจิบปากว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นกินอิ่มแล้วอิ่มยังไงอธิบายก็อธิบายไม่ถูกเพราะคาพูดกับความจริงมันไม่สามารถที่จะ บอกถึงความจริงอันนั้นได้ต้องกินเองเถอะกินไปเถิดเดี๋ยวก็อิ่มเองอิ่มแล้วก็รู้ตอนนี้รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ก็ไม่อิ่มบอกว่ากินข้าวอิ่มอิ่มอย่างนั้นอิ่มอย่างนี้ไอ้คนฟังก็ไม่อิ่มอยู่ดีนั้นไม่ต้องไปสนใจให้สนใจวิธีกําจัดสังโยชน์สามนี้ดีกว่าทําสังโยชน์สามไม่หมดไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่า เป็นโสดาบันแล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรหมดแล้วเนะี่ยคำถามบางอย่างจึงไม่อยากตอบเพราะตอบไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำให้หลงได้อาจจะมานั่งคิดไอ้กูเป็นโสดาบันแล้วเนี่วะกูไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกูไม่ยึดติดขันห้าแล้วมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัตินั้นก็อย่าไปสนใจมากนะ ให้สนใจวิธีกำจัดสังโยชน์ดีกว่าคือการเจริญศีนสมาธิปัญญาถ้ายังไม่มีสีนสมาธิปัญญาอย่าไปคิดว่าตนเองบรรลุขันนุนขันนี้แล้วเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้เป็นนั่นเองเห็นต้องให้มีสีให้มีสมาธิเข้าเข้าสมาธิเข้าอัปปนาสมาธิได้ปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลามันถึงจะสามารถที่จะทำลายได้ คำถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ผมใช้บทพระพุทธคุณเป็นคำภาวนาได้ไหมครับคำภาวนาที่ยาวจะทำให้จิตมีสมาธิได้ไหมครับ สำหรับคนบางคนถ้ายัางพุโทโธไม่ได้ก็เอาสวดมนต์ยาวๆไปก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเพราะสวดไปสักระยะพอจิตมันเริ่มนิ่งเริ่มสงบแต่มันจะไม่นิ่งมากกว่าก่อนนั้นถ้าอยากจะให้มันสง บ, บมากกว่า น, นั้นก็อาจจะต้องดูลมหายใจหรือพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวบนรบลุเลยเ